บทที่46จากวัดไทยสาวัสถีคณะผู้แสวงบุญเดินทางไปชมทัชมหานหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลกการไปชมทัชมหานถือเป็นของแถมเพราะไม่ได้เกี่ยวข้องกับพุทธประวัติทัชมหานเป็นสุสารขนาดมหึมา สร้างด้วยหินอ่อนทั้งหลังที่กษัตริย์ชาหันโปรดให้สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งความรักที่พระองค์ทรงมีต่อพระนางมุมตัสพระมเหสีที่สิ้นพระชนเนื่องจากการประสูติพระโอรสพระเจ้าชาหันทรงเสียพระทัยอย่างใหญ่หลวงจึงโปรดให้หาช่างฝีมือดีจำนวนนับพันมาสร้างสุสานแห่งความรักของพระองค์ การก่อสร้างเริ่มขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2188ซึ่งนับถึงเวลานี้ก็340ปีมาแล้วหลังจากการก่อสร้างสิ้นสุดลงทรงมีรับสั่งให้ควักในตาของช่างฝีมือเหล่านั้นเพื่อจะได้ไม่ไปสร้างให้ผู้ใดอีกแต่พระเจ้าชาหันคงจะมีพระดำริผิดเพราะการกระทำอันโหดร้ายต่อพวกช่างฝีมือเหล่านั้น มีอาจสกัดการนภูมิปัญญาของช่างฝีมือสมัยต่อมาได้ด้วยว่าในปัจจุบันบรรดาเศรษฐีทั้งหลายได้จ้างช่างให้สร้างอาคารโดยลอกเลียนแบบทัชมหานได้ไม่ผิดเพี้ยนการกระทําของพระราชาผู้ซึ่งโศกเศร้าคลั่มครวญอยู่กับการจากไปของพระมเหสีอันเป็นที่รักจนทรงลืมนึกถึงธรรมดาของชีวิต ที่ต้องเกิดแก่เจ็บตายไม่มีผู้ใดรอดพ้นไปได้ทำให้พระองค์ต้องทรงรับกรรมหนักในบ้านปลายแห่งพระชนชีพกล่าวคือต้องถูกพระโอรสจับขังไว้ในประสาทหลังเล็กที่สร้างไว้ข้างๆสุสานพัชชมหารในว่าให้ประทับนั่งประทับยืนหรือแม้แต่ประทับนอน ทอดพระเนตรสุสานแห่งความรักของพระองค์ซียให้พอพระไทยจนถึงวาระสุดท้ายของพระชนชีพอย่างไรก็ตามสุสานทัชมาฮานก็ได้กลายเป็นอนุสรณ์สถานแห่งความรักในเวลาต่อมาและนับเนื่องอยู่ในสิ่งมหัศจรรย์อย่างหนึ่งของโลกประชาชนทุกชาติวันนะ่ะได้หลั่งไหลกันมาชมความงามของสุสาน ซึ่งตั้งระงานอยู่ริมฝั่งแม่น้ำยมุนาสร้างรายได้ให้กับประเทศปีละนับพันล้านรูปีทำให้พระนามและพระประวัติของพระเจ้าชาหันได้รับการจดจารึกลงในประวัติศาสตร์อินเดียจนตราบเท่าทุกวันนี้หลวงพ่อมีไฟฉายมาด้วยหรือเปล่าครับพระเจริญกระซิบถามพระครูเจริญมี ผมนำไฟฉายกระบอกเล็กๆใส่ ย, ย่ามมาด้วยท่านพระครูตอบผมขอยืมได้ไหมครับจะทำอะไรให้หลวงพ่อดูของผมมีอยู่ในรถลืมหยิบลงมาเมื่อสมภารวัดป่ามาม่วงล้วงลงไปในย่ามหยิบไฟฉายส่งให้พระมกุเทศวางไฟฉายตั้งบนแท่นโดยตั้งกระบอกขึ้นแล้วเปิดสวิต เมื่อแสงไฟกระทบพื้นแท่นหินอ่อนก็ปรากฏเป็นสีต่างๆถึงเจ็ดสีครั้นปิดไฟฉายก็เห็นเป็นแผ่นหินอ่อนสีขาวนวลเช่นเดิมเป็นสิ่งที่พระมะกุเทศเห็นว่าประหลาดมหัศจรรย์มากท่านพระครูรู้ตั้งแต่เดินเข้ามาเพราะท่านใช้ทั้งตานอกและตาในาดู ตาไนเปิดให้เห็นภาพของพระเจ้าชาหันที่กําลังได้รับเคราะห์กรรมที่ทรงทํากับพ่วงช่างฝีมือและยังเห็นพระโอรสรับกรรมที่ทํากับพระบิดาท่านไม่อาจจะช่วยพระราชาและพระโอรสได้แต่สําหรับช่างฝีมือและผู้ร่วมการก่อสร้างทั้งหลายพวกเขายังคงเวียนวนอยู่ณที่นี้แม้ว่าจะล่วงเลยมาถึง340ปีแล้วก็ตาม จึงเป็นหน้าที่ของท่านจะต้องแผ่เมตตาให้พวกเขาเพื่อดับร้อนผ่อนทุกขให้เบาบางลงหรือถ้าใครมีกุศลกรรมเบาบางลงมามากแล้วท่านก็จะช่วยให้เขาได้ไปผุดไปเกิดในสุคติภูมิท่านสามารถช่วยได้ร้อยละยีสิบเท่านั้นส่วนอีกแปสิบพวกเขาต้องสร้างเองท่านจะช่วยเต็มร้อยไม่ได้เพราะอัตติอัตโนนาโถดังที่พระพุทธองค์ทรง ส, งสอนไว้ ท่านไปเรียกพระหนุ่มสามรูปมาดูดีกว่าผมเห็นแล้วท่านพระครูบอกจากนั้นก็เดินเหลีกไปทางด้านหลังเพื่อหาที่สงบนั่งภาวนาจะได้แผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลไปยังเปรตชนที่ยังเวียนวนอยู่ในสุสานแห่งนี้ชมทัชมาารและก็ถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึกกันแล้วคณะผู้สแสวงบุญจึงเดินทางต่อไปยังนิวเดลี เมืองหลวงของประเทศอินเดียใช้เวลาเดินทางกว่าสองชั่วโมงเมื่อไปถึงผู้นำทัวร์ได้พาญาติโยมเข้าพักในโรงแรมส่วนพระมกุฎเทศนำพระภิกษุทั้งห้ารูปไปพักยังวัดพระพุทธศาสนาซึ่งตั้งอยู่ไม่ไกลจากโรงแรมมากนักพระมกุฎเทศให้เวลาญาติโยมอาบน้ำแต่งตัวสองชั่วโมงแล้วก็ให้นั่งรถไปรับพระภิกษุที่วัด เพื่อจะไปทำวัดเย็นร่วมกันสถานที่ที่พระพุทธองค์แสดงมหาสติปัฐานสูตรแก่ชาวกรุรัฐเมื่อกว่า 2,500 ปีมาแล้วสถานที่ดังกล่าวตั้งอยู่ชาญเมืองนิวเดลฮีรัฐบาลอินเดียได้ล้อมรั้วไว้เพื่อให้เป็นสัดส่วนต่างหากจะได้ไม่ปะปนกับสถานที่ราชการอื่นๆเสร็จจากทำวัดเย็น ผู้นำทัวร์ให้คนขับรถพาชมเมืองหลวงของประเทศอินเดียจากนั้นจึงมาส่งพระภิกษุที่วัดแล้วพายาโยมไปรับประทานอาหารยังโรงแรมที่พักคณะผู้สแสวงบุญจะพักที่นิวเดลฮีหนึ่งคืนวันรุ่งขึ้นจะบินไปดูผู้วิเศษที่อยู่เมืองบอมเบตามคำเรียกร้องของสมาชิกมีเรื่องเล่าขานกันมานานแล้วว่า ที่เมืองชายทะเลทางใต้ของประเทศอินเดียมีผู้วิเศษมาช่วยเหลือมนุษย์บางคนบอกว่าท่านเป็นพระศรีอานมาอุบัติแต่ท่านพระครูหาเชื่อไม่เพราะตามคำสอนของพระพุทธศาสนาพระศรีอานหรือพระเมตตยะพุทธเจ้าจะเสด็จมาอุบัติในโลกมนุษย์ต่อเมื่อพระศาสนาของพระโคตมะพุทธเจ้ามีอายุครบหาพันปีหลังจากนั้น โลกจะว่างจากศาสนาหยุดชั่วระยะเวลาหนึ่งแล้วพระเมตยะพุทธเจ้าซึ่งเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ที่หแห่งพัทลักับจะมาอุบัติวัดที่พระภิกษุพักอยู่มีพระภิกษุชาวอินเดียรูปหนึ่งพูดภาษาไทยได้เพราะมีพระไทยจากพุทธคยาบ้างจากสาวัตถีบ้างจากพราณสีบ้าง และจากนิวเดลฮีบ้างมาพักอยู่เนืองๆ เ, เมื่อต้องเดินทางมาเมืองหลวงท่านพระครูมีโอกาสได้สนทนากับท่านหลังจากที่พระภิกษุรูปอื่นจำวัดกันแล้วพรุ่งนี้พันเตจะไปไหนหรือครับท่านถามเจ้าอาวาสวัดป่ามาม่วงโดยเรียกท่านว่าพันเตอันเป็นคำที่พระภิกษุสงฆ์ใช้เรียกเพื่อนบรรพชิตที่มีอายุมากกว่าตน คำนี้ใช้คู่กับอาวุโส ซ, ซึ่งเป็นคำที่ใช้เรียกเพื่อนบรรพชิตที่มีอายุเท่ากันหรืออ่อนกว่าตนพันเตแปลว่าผู้เจริญส่วนอาวุโสแปลว่าผู้มีอายุสองคำนี้ใช้กันมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลไปเมืองบอมเบ เขาจะพาไปดูผู้วิเศษที่ชื่อกันว่าเป็นพระสีอานมาอุบัติท่านพระครูตอบพันเตเชื่ออย่างนั้นหรือเปล่าครับแทนคําตอบท่านถามกลับว่าแล้วท่านเชื่อหรือเปล่าพระอินเดียตอบว่าผมเชื่อไม่ได้หรอกครับเพราะขัดกับคําสอนในพระพุทธศาสนาผมสังเวชใจที่มีผู้พยายามทําให้พระพุทธศาสนา นอกกรีดนอกกรอยจะว่าไปแล้วความพยายามที่จะอยู่รอดของศาสนาพราหมณ์ทำให้พระพุทธศาสนาถูกตีความให้ผิดเพี้ยนไปจากคำพีท่านไปพุทธคยามาหรือยังครับภิกษุอินเดียวัย30ถามไปมาแล้วท่านพระครูตอบ ท่านเห็นวังมหารัชซึ่งอยู่ด้านทิศเหนือของพระเจดีย์พุทธคยาหรือเปล่าครับผมไม่ทันได้สังเกตมีอะไรหรือครับที่นั่นแหละครับที่ทําให้พระพุทธศาสนาถูกเบียดเบียนวังมหารัชเป็นที่อยู่ของสังฆราชาคนที่พยายามบิดเบือนคําสอนของพระพุทธองค์เพื่อให้เข้ากันได้กับศาสนาพราหมณ์ เพราะเป็นวิธีเดียวที่จะทำให้ศาสนาพราหมีอายุยืนยาวต่อไปเนื่องจากในเวลานั้นพระพุทธศาสนากำลังรุ่งเรืองคมรัศมีของศาสนาพราหม์โดยสิ้นเชิงสังฆราชานจึงต้องรักษาศาสนาดั้งเดิมของตนไว้ขณะเดียวกันก็พยายามบิดเบือนและทำลายพระพุทธศาสนาผลงานชิ้นสาคัญของสังฆราชา ที่เป็นมรดกตกทอดมาจนถึงปัจจุบันคือการเกิดขึ้นของพระพุทธศาสนานิกายมหายานซึ่งเขาเรียกพระพุทธศาสนานดั้งเดิมว่าหินนยายนแปลว่ายานที่คับแคบยานที่ตำซามแม้ในภายหลังจะบัญญัติเรียกนิกายดั้งเดิมว่าเทรวาดเพื่อให้ฟังดูดีขึ้นแต่คนส่วนใหญ่ก็ยังเรียกว่าหินนยายน ซึ่งในความคิดของผมผมเชื่อ ว, ว่าในครั้งพุทธกาลมีแต่คำสอนดั้งเดิมและพระพุทธศาสนาคือศาสนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งไม่ว่าจะเป็นพระองค์ใดามาอุบัติคำสอนก็จะเป็นแบบเดียวกันไม่มีการแยกนิกายผมอยากจะกราบเรียนพันเตว่าผมไม่สบายใจเลยที่เห็น จำนวนชาวพุทธฝ่ายมหายานเพิ่มขึ้นขณะที่ฝ่ายเถรวาทลดจำนวนลงอาจเป็นไปได้ว่าในอนาคตคงเหลือแต่พวกมหายานเพราะเขาเผยแผ่ไปทั่วโลกผมว่าสังฆราชาบาปมหันเลยทีเดียวภิกษุวัยสามสิบระบายความอัดอั้นตันใจให้ท่านพระครูรับรู้ดูเหมือนท่านไม่ยอมรับ และก็ไม่ชอบนิกายมหายานก็ไม่เชิงหรอกครับผมเพียงแต่เห็นว่าคำสอนดั้งเดิมของพระพุทธองค์ที่พวกมหายานยัดเยียดให้เป็นนิกายหินนายานนั้นเป็นคำสอนที่บริสุทธิ์ผุดพองสามารถนำผู้ปฏิบัติให้พ้นจากความหลุดพ้นจากทุกข์ได้จริงแล้วก็มีลักษณะเป็นเทวานิยมส่วนมหายานเป็นนิกายที่ได้รับอิทธิพล มาจากศาสนาพราหมณ์ซึ่งเป็นศาสนาเทวานิยมที่ไร้กาศวันนั้นก็คือพระนิกายมหายานพวกถือว่ามีภรรยาได้แล้วก็หลุดพ้นได้อย่างไรในเมื่อตัดเรื่องการมมคุณไม่ได้ผมว่าดูๆไปแล้วก็น่าสงสารพวกที่หลงผิดพวกเขาไม่มีโอกาสได้ลิ้มลองรสพระนิพพานได้เลย ถ้ายังหลงผิดอยู่อย่างนี้คงจะไม่เป็นอย่างนั้นทั้งหมดหรอกนะครับท่านพระครูพูดขึ้นท่านเห็นว่าพระภิก ษ, ษ, ษ, ษุฝ่ายมหายานที่มุ่งมั่นต่อพระนิพพานก็มีอยู่ไม่น้อยพระภิก ษ, ษ, ษุฝ่ายเทรวาสบางพวกยังเกรงกรัดเท่าช่วงที่อยู่พุทธคยา มีอยู่วันหนึ่งท่านและโยมเสงก็พากันเดินไปยังพระเจดีตามลำพังเพราะท่านรู้ว่าจะได้พบองคาลัยลามะประมุขแห่งพระพุทธศาสนามหายาณแห่งทิเบตท่านยังได้ถ่ายภาพร่วมกับพระองค์และได้สนทนากับพระองค์ด้วยภาษาจิตโดยการสัมผัสทางมือท่านถามองค์ดาลาัยลามะว่า รู้สึกอึดอัดหรือไม่ที่พระองค์มีทหารอินเดียคอยควบคุมอยู่พระองค์ตอบว่าเขาควบคุมเราได้แต่เฉพาะร่างกายเท่านั้นแต่จิตของเราเขาควบคุมไม่ได้การที่พระองค์สามารถสื่อสารกับท่านทางจิตได้ก็แสดงว่าพระองค์ได้ฝึกฝนอบรมกายอบรมจิตมาอย่างดีและเป็นชาวพุทธแท้ ภิกษุวัยสามสิบเห็นท่านพระครูเงียบไปคิดว่าท่านคงไม่พอใจจึงพูดแบบประนีประนอมว่าผมอาจเข้าใจผิดก็ได้ความจริงพระนิกายมหายานที่ดีๆก็มีอยู่ไม่น้อยที่ผมรู้สึกศรัทธาคือองค์ดาัลาลามะผมเองก็ศรัทธาพระองค์เช่นกันผมเชื่อว่าพระองค์เป็นสาวกที่ดีของพระพุทธองค์ สมภารวัดป่ามะม่วงพูดจากใจจริงภิกษุวัยส0สอยากระบายความอัดอั้นตันใจให้มากกว่านี้ท่านไม่แน่ใจว่าภิกษุอคันตุ ก, กะจะรับฟังหรือไม่จึงถามขึ้นว่าพันเตจะจำวัดหรือยังครับผมนอนดึกบางคืนก็ไม่ได้นอนเลยท่านพระครูตอบถ้าเช่นนั้นผมขออนุญาตสนทนากับพันเตต่อจะได้ไหมครับ ด้วยความยินดีเพราะผมเองก็อยากได้ความรู้ที่เป็นประโยชน์จากท่านท่านบอกเป็นไนว่าต้องการเฉพาะสิ่งที่เป็นประโยชน์ครับสิ่งที่ผมจะพูดก็น่าจะเป็นประโยชน์อย่างน้อยผมก็คิดว่าเป็นประโยชน์ท่านพูดแบบอย่างเชิงผู้ฟังงั้นก็พูดได้เลยครับพันเตมีความเห็นอย่างไร เกี่ยวกับภิกษุในพระพุทธศาสนาครับสถาบันภิกษุณีเกิดขึ้นในพรรษาที่หแห่งการตรัสรู้แล้วก็มีอายุยาวต่อมาอีกประมาณพันปีแล้วก็สิ้นสุดลงตามหลักอนิจจังครับพันเตพูดมานั้นถูกต้องตามหลักการทุกอย่างแต่ในปัจจุบันมีสถาบันภิกษุณีของฝ่ายมห ah ายานเกิดขึ้นมากมาย แต่พวกเขาไม่รู้ไม่เข้าใจคำสอนของพระพุทธองค์ซ้ำร้ายไปกว่านั้นคือพวกเขาพยายามบิดเบือนคำสอนและกล่าวหาพระพุทธองค์ว่าทรงลำเอียงอย่างนี้ก็บาปแย่เลยนะสิและจะเข้าถึงมรรคผลได้อย่างไรแค่คิดว่าตัวเป็นภิกษุณีก็ไม่ถูกแล้วเพราะภิกษุณีไม่มีแล้วท่านพระครูพูดเสียงตํำหนิ นั่นสิครับพันเตภิกษุนีไม่มีแล้วเพราะขาดตอนไปกว่าพันปีจะเกิดขึ้นมาอีกได้อย่างไรภิกษุอินเดียวัยสามสิบรับรองถ้อยคำของท่านพระครูที่ท่านก็เห็นพ้องด้วยทุกประการ